ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนออริยสัตสี 4. วันก่อนได้พูดถึงสมุทัยอริยสัตที่ทรงจำแนกแสดงถึงการดับของตัณหาในแต่ละจุดการเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของตัณหาในแต่ละจุดเริ่มจากอายตนาภายในยตนาภายนอก บิญญาณสัมผัสเวทนาและก็ตัวตัณหาเองจนมาถึงวิตกวิจารณ์ก็คือแต่ละจุดทรงแสดงว่าตัณหาถ้าจะเกิดก็จะเกิดตรงนี้ถ้าจะดับก็ดับในที่นี้ถ้าจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นี้ในจานั้นก็ทรงแสดงในโรธสัต์แต่ความจริงคือความดับทุกข์ ทรงอธิบายว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายก็ทุกข์ใ น, โ ร, นโรธนโรธโรธะอริยสัจเป็นไนความดับด้วยสา ม, มารถความสำรอกโดยไม่เหลือข้อนี้องสังเกตว่าทรงใช้นิยามเดียวกับที่ทรงแสดงในธรรมจักรวัตมนสูตรเพราะภาษาของนิโรธหรือนิพานเนี่ยมันมีเรียกเรียกไปเยอะมาก ก็มีการรวบรวมเอาไว้ถึง80ดสิบกว่าข้อแต่ถ้าเรามองถึงกรอบครอบข่ายความหมายที่พระเจ้าทรงแสดงในพระมวคซึ่งปรากฏอยู่ในธรรมบทแล้วก็ปรากฏในสังยุตตนิจายในขณะเดียวกันก็ที่ปรากฏในอุบาลีวัทสูตร ซึ่งก็แสดงสภาพจิตที่เข้าถึงนิพพานโดยนิมที่ปัญญาบ้างบริสุทิ์บ้างการุณาบ้างแล้วก็แสดงว่ามีหลายรอยความหมายก็เป็นอังเดียวกันคือนิโรธตรงนี้จะอธิบายในเชิงที่เป็นความดับก็หมายความว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากอาสวักยา คือประยานที่ทำอาสวะให้หมดไปสิ้นไปยันที่ทรงแสดงสภาพจิตของคนที่จเจริญวิปัสนาสมถวิปัสนามันโดยลำดับพอมาถึงจุดหนึ่งจะเกิดมองเห็นนามรูปเป็นของไม่เที่ยงเป็นถุกเป็นอนัตตาแล้วจากนั้นก็จะมองภาพรวมๆของทั้งหมด ของคันหรูปของนามรูปทั้งหมดที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบละเอียดหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีปรีดก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีก็ดูแล้วคล้ายๆจะละเอียดนะที่จริงไอ้อภิธรรมจะละเอียดมากกว่านี้แต่ก็ไม่จะมีไม่ความจะเป็นจะต้องไปจําขนาดนั้นคือสรุปว่าไอ้สิ่งที่เป็นรูปก็คือ อายต ا ن ภายในหกไอ้ไม่ใช่อายต ا ن ภายในห้าภายนอกห้าเรื่อนี้ก็ถือว่าเป็นรูปส่นธรรมารมกับจิตนั้นก็เป็นนามก็สรุปแล้วก็เป็นรูปนามโดยมองเห็นโดยภาพรวมๆว่ามันก็สักแต่ว่าขันห้าเอาข้จริงก็เพียงขันห้าแล้วนั่นเอง ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้ให้เห็นด้วยปัญญาชอบตามความจริงอย่างนี้แล้วถ้าเกิดความรู้เห็นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตคือจะเบื่อนหน่ายในขันท่าแต่ละอย่างพอเบื่อนหน่ายจิตก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดถึงจุดหนึ่งเนี่ย กิเลสมันก็ดับไปใจก็วิมุตต์คือหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสชื่อต่างๆแล้วก็มาหลุดพ้นแล้วญาณก็เกิดผุดขึ้นมาว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้จากนั้นญาณก็จะบอกใจผู้ปฏิบัติเองว่าคิดอาชาติชาติสิ้นแล้วพรมจารกระตังพรมจริยังพรมจันท ร, ร์ได้อยู่จบแล้ว กตังกริยังกิติควรทำได้ทำเสร็จแล้วนาะปรังอิทตายาติปิศานาติติกิตอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีหมายความมาภารกิจในการกำหนดรู้ทุกลสัสษณะไทยทำใแจ้งอิโรธเนี่ยจะเลอะมากขึ้นมาจบเราจะลองสังเกตว่าภารกิจตัวนี้เป็นภารกิจส่วนตัวเองเป็นอัตตประโยชน์ เป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์พร้อมของปัญญาความบริสุทธิ์แล้วก็ความกรุณาแต่ว่ากุณนานั้นมีสัตว์ที่ประสบความทุกข์เป็นอารมณ์ปัญญาปรากฏที่จิตบริสุทธิ์ก็ปรากฏที่จิตกรุณาที่จริงก็เกิดที่จิตแต่ก็เป็นปกติจิตเพราะว่าจิตมันพอสงบจากกิเลสมันก็ไม่มีอะไรอะ มันก็เกิดการุณาเปี่ยมล้นในสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ทำให้พระพุทธเจ้าพระหัต์ทั้งหลา ย, ท, าา ท, ลายทุ่มเทประชมุมชี้ชีวิตไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกิดอกูลเพื่อความสุขแก่สิ่วชีวิตทั้งหลายพลลักษณะของนิโรธเนี่ยในที่นี้นะพูดในที่นี้เราจะเห็นว่าเบื้องหลังก็คือวิชามเกิดขึ้น แล้วก็ทาลายกิเลสต่างๆเนี่ยวิชารี้ยานหรือปัญญาอะไรอะไรก็ตามนะเรียกก็เรียกเยอะนทนาในธรรมจาักเนี้ยสมเรียกจกักรยานปัญญาวิจาแสงสว่างเพราะได้เกิดขึ้นไปในพระทยของพระองค์เป็นลักษณะของนิพพานในที่นี้หรือนิโรธในที่นี้มันก็คือ ความดับด้วยความสำรอกโดยไม่เหลือแห่งแห่งกิเลสแห่งตัณหาแต่ว่าบางคนี้ม่เชื่อมุ่งกับตัณหานะคันเาก็พูดเรื่องตัณหาแต่อย่างนี้บอกว่าตัณหาเป็นตัวแทนของสรรพกิเลส ท, ทั้งหลายไม่ใช่ว่าสำรอกได้เฉพาะตัณหาแต่กิเลสองอยู่นะฮะกิเลสมันก็เป็นชื่อของตัณหานั่นเอง และความสละคือสละอะไรสละตัณหาออกไปจากใจสละกิเลสพวกไงสละกิเลสออกไปจากใจและความสละคืนคือการถ่ายถอนออกไปจากจิตพวนี้ที่จริงเขาไม่ใช่จิตอยู่แล้วพวกกุศลนะกุศลนี่เขาก็ไม่ใช่จิตอยู่แล้วเขาเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นปรุงจิตก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตแต่ว่าสิ่งที่สำรอกออกไปเนี่ยแล้วเป็นการสำรอกพวกกิเลส ตอนภายใจิตมันก็เหลือเฉพาะธรรมะคล้ายๆขจัดมืดหมด เ, เนี่ยสิ่งที่เหลือก็คือแสงสว่างขจัดร้อนหมดที่เหลืออยู่ก็คือเย็นมันก็สแสดงถึงอาการปล่อยวางหมายความว่าคล้ายๆกับเราไปยึดเนี่ยขันห้าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนตของเราก็ไปแบกเอาไว้ไปยึดเอาไว้ไปหิ้วเอาไว้ไปอุ้มเอาไว้ไปกอดรัดเอาไว้ก็แล้วแต่ ไอ้ที่จริงก็เราดูแล้วลักษณะคล้ายๆทั้งหาบทั้งคอนนะนะทั้งหาบทั้งเทือนศีรษะไอ้ภารกิจที่เราไ ป, ปลูกพันเนี่ยเราผูกพันกับอดีตด้วยผูกพันธ์กับอนาคตด้วยผูกพันธ์กับปัจจุบันด้วยเพราะฉะั้นภาพจริงๆมันมีลักษณะทั้งหาบทั้งเตืนทั้งเตือนศีรษะแล้วก็หนัก จะนิยสงแสดงไหมว่าขันห้าเป็นภาระหนักแต่บุคคลมายึดถือขันห้าเอาไวไ้การปล่อยวางใช้ได้ก็เป็นความสุขในโลกแต่นี้พิสูจน์ได้อย่างไงพิสูจน์ว่าการพ้นเป็นนันมากที่พ้นแล้วนี่มีเสน่หาอะไรอยู่พระตถาจารย์ท่านเคยอธิบายเราก็ไม่ ได้คิดได้ึกซึ้งนนะฮะเกิเราก็ไปขยายต่อเร่มไปอธิบายกับโยมที่ก็มีครอบครัวจริงๆเนี่ยเราอธิบายตามที่พระพุทธอาจารย์ท่านอธิบายท่านบอกว่าเหมือนกับสามีภรรยาที่หย่าขาดกันแล้วเนี่ยไม่มีเยื่อใยอะไรกันอีกต่อไปโยมก็ติงเลยเขาบอกอุปมาเนี้ไม่ถูกนะท่าน เพราะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเป็นลักษณะของฐานฝ่เก่ามีความเสน่ห์หาอะไรเยอะใหญ่กันบางครั้งก็กลับมาอยู่ร่วมกันใหม่หรือว่าภายในใจก็โหยหาอะไรอยู่เลยก็ต้องเปลี่ยนนต้องเปลี่ยนอุปมาตรงนี้คือพระราถาจารย์ท่านก็เป็นพระท่านไม่มีประสบการณ์ภาคสนาบางทีท่านก็อธิบายไปโดยอุปมาของท่านเองนะแต่เราพระมองดูประศึกษาเองก็จริง แต่ว่าการสละกิเลส ข, ของพระหันนั้นท่านไม่มีอะไรในสิ่งที่สละแล้วอุปมาเหมือนก็บน้ำลายที่เราทุ่มิ้งไปแล้วเนี่ยไม่มีใจอาไรที่จะกลืนเข้าไปอีกก็ในขณะเดียวกันก็เรียกอนารโยนะคือความไม่อะไรแด้วก็ท่านก็สรุปว่าความสละ ความฉลาดคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั้นก็ต feasible, ัณหาน e ั้นเมื่อบุคคลจะละจะละใช่ได้ในที่ใดเมื่อจะดับจะย่อมดับได้ในที่ใดโครงสร้างยัเหมือนเดิมนะโครงสร้างยังเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนคําว่าเมื่อจะละจะละใชได้ในที่ใดเมื่อจะดับจะดับได้ในที่ใดคือละกับดับอันนี้เกิดเมื่อก่อนนี้เกิดตั้งอยู่ ตอ น, นพูดในสายของละดับกระรับสารว่าที่ใดเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกตัณหาน้นเมื่อบุคคลจะละย่อมได้ล ะ, ะได้ในที่นั้นเมื่อบุคคลจะดับก็ดับใชได้ในที่นั้นแล้วก็ในที่นั้นคือในที่อะไรในสุก็ทรงขยายไปที่อายตนะภายในภายนอกเหมือนเดิมคือที่ตาหูจมูกลึงไกยใจ ก็รับสั่งว่าก็อะไรเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกแล้วก็รับสั่งถึงญาตนณะภายในคือตาหูจมื่กายใจว่าไอเ น, นี้ยเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อบุคคลจะละจะมลาเสได้ในที่นี้เมื่อจะดับก็ย่อมดับเสียได้ในที่นี้จากนั้นก็พูดถึงยาตนณะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปริภัณฑธรรมอารมณ์แล้วก็พูดถึงวิญญาณหก คือความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ถึงสัมผัสหกก็คือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ถึงเวทนาหกความสเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นสุกตามหรือทุกตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุกตา ม, มแต่นี้พูดถึงประเภทพูดถึงตัวเหตุเกิดของของเวทนาเวทนาหกเพราะนั้นเวลาแปลเต็มที่ก็คือว่า ความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุกตามทุกตามไม่ทุกเมีสุกตามถึงแสดงในทิฏฐิปลืยสุแสดงในฐานะเป็นของร้อนคือแสดงส่วนเกิดแต่ตอนนี้แสดงส่วนดับคือหมายความว่าเมื่อจะดับก็ดับในที่นี้เมื่อจะละก็ละในที่นี้เมื่อจะดับก็ดับในที่นี้ทีนี้ภาษาละดับเนี่ย จะลาก็ตามดับก็ตามบรรเทาก็ตามสลัดออกก็ตามก็เสียกรรมเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นนามนธรรมกิเลสเนี่ยก็เป็นนามนธรรมธ ร, รมะที่เกิดเองก็เป็นนามนธรรมแต่ถ้ากิริยาที่สละละวางเนี่ยมันพูดถึงสิ่งที่เป็นนามนธรรมจะเลยเกิดสื่อสารจะยากเลยอันนี้เราจะเห็นว่าทรงใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม การสละก็ดีการละก็ดีการสลัดออกก็ดีการพ้นไปก็ดีการปล่อยวางก็ดีการไม่อะไราก็ดีการถ่ายถอนคลายคื่นในตะลต่างๆนี่จะซีในเชิงที่เป็นรูปธปรรมเพรา ะ, ะไรเพราะว่าสื่อแล้วมันเข้าใจง่ายแต่ว่าจริงๆพวกนี้เราจะใช้ความเข้าใจไม่ได้หรอกมันต้องเป็นสัมผัสตรง เหมือนกับสัมผัสตรงทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสัมผัสตรงนี้สัมผัสตรงทางใจตก็มือก็บสัมผัสตรงทางตาหูจมูกลิ้นกายช่นรูปสวยเสียงไปราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องเนี่ยเอาก็จริงต้องดูเองต้องฟังเองต้องลิ้มเองต้องดมเองต้องจับต้องเองทีนี้ปอะดี๋เราก็มีความรู้สึกมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมันเลยหาข้อยุติไม่ได้ เพาะแต่เราถามว่ารูปยังไงที่สวยเสียงยังไงที่ไพเราะกลิ่นยังไงที่หอมรสอะไรเทียรอยสัมผัสน่าจะต้องเอา่ยเอาขจิงแล้๋ยวก็หาข้ อ, อยุติไม่ได้เพราะเป็นลักษณะลังก็ชอบลังยาสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีอยู่จริงโดยธรรมชาติของมันมันมีด้วยความชอบหรือจิตก็กําหนดกําหนดว่านี้สวยรูปนี้สวยเสียงนี้ไพเราะกลิ่นนี้หอมรสนี้อร่อยสัมผัสน่าจะต้อง มันก็ดีสมากคนนั้นแต่ไม่ใช่เป็นความดีสากลไม่ใช่ว่าทุกคนต้องชอบเหมือนกันหรือว่าว่าดีได้กันเป็นลีลาอารมณ์เป็นลักษณะของความรู้สึกมันเกิดขึ้นจากความปักใจฝังใจติดใจหรือสะสมในจิตใจของบุคคลหล่นั้นคล้ายๆก็เราเกิดภาคได้เราเกิดภาคอีสานเราเกิดภาคเหนือเราเกิดภาคกลางเนี่ย ไอรสชาตอาหารท้องถิ่นเนี่ยมันต้องต้องติดอยู่เคยพ่อบลวงปูอ่องค์ไหนเนี่ยที่วัดเนี่ยอายุท่านตอนนั้นแปดสิบกว่าเกือบเก้าสิกว่าเป็นเรื่องแปลกที่ในที่สุดธิท่านต้องกลับไปอยู่ทางสาราคามาสาราคามคือกลับหมดเลยอาหารก็ไปชอบกินอาหารที่เป็นภาคอีสานภาษากลับไปอยู่ภาคอีสานอะไรกลับเป็นหมดเลยเเรื่องแปลก แลยวสุท่านท่านก็ย้ายท่านก็ไปมรณภาพที่ต่างจังหวัด น, นั้นก็แสดงเห็นว่าพวกนี้มันเป็นอัาธะคือความยินดีที่ฝังอยู่ภายในจิตของเราตอนนู้นะได้รับสัมผัสได้รับสภาพไปล้อมใหม่มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่พอตอนแก่เข้าเนี่ยมันย้อนกลับมาเป็นเรื่องแปลก ทันพูดสำเนียงนี่ฟังไม่ออกว่ามาจากภาคอีสานพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนก็คนไม่เคยอยู่ภาคกลางกระถือเป็นเรื่องแปลกอย่างมากนสุดหลวงปู่ก็ไปแต่อยู่ต่างจังหวัดไปนั้นแสดงว่ามันมันเป็นเป็นการเพาะเชื้อเก็บสะสมไว้ภายในจิตผนการมองรูปมองฟังเสียงดมกลิดนนีก็ถูกต้องอยันน้องแข็งจริงไม่มีความเป็นสากล แล้วแต่ใครจะคิดที่เราพูดว่าลังไเลชอบลังยาเพราะในการจะเกิดสุขเวทนาทุกเวทนาทุกคมสุขเวทนามันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าใจไปกําหนดว่าสิ่งนี้น่าพค้น่าปรารถนาน่าพอใจมันเกิดสุขเวทนาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนบางคนก็ไม่ชอบก็เกิดทุกเวทนาคนบางคนก็เฉยเฉเกิดใส่ใจก็เกิดเป็นทุกข์ทุกข์สุขเวทนา เพราะในที่นี้ส่งแสดงตัวเหตุที่ให้เกิดเวทนาแล้วก็มีหกอย่าง น, นะแต่หกอย่างบ ท, ทีอ่ะทีนี้จากนั้นก็ส่งแสดงถึงตัวตัณหาเองหมายความว่าเกิดอ้อเกิดสัญญาก่อนสัญญาสัญจิตนาสัญญาคือความจำความจำได้หมายรู้ที่เราเก็บสะสมไว้ภายในใจ คือบางทีนี้เราเราไม่ได้คิดอะคล้ายๆกับวัฒนธรรมไทยเราโบราณนี่เรารับสื่อสารพวกวรรณคดีโบราณคดีาศาสนาจากยีนกับจากอินเดียนี่มากโดยเฉพาะอินเดียเข้ามาทางสายศาสนามันก็อะไรปนๆนมาเยอะนะแต่เราก็ไม่ค่อยการกรองอะไรทนายหรก คือที่ติดใจจริ ง, รงตอนนี้ก็กาลังจะหาหนังสือนี้กลับมาในที่มันเคยอ่านทำไมเป็นพระนุม่มๆคือก็พูดถึงขนงามพอเรานึกดวเอ้มันมันขนงามแย่งนี้มันไม่ใช่งามในในความรู้สึกม่ชิดของคนไทยอะ่ะมันเป็นวันนันคดีของแถกแล้วเราก็เอามาว่ามันพูดมาแต่งกรอในที่ต่างๆ ท่านบอกว่าจางงามพักเพียงจันบุหลังฉายงามเมตต์ดังเด็กในตาใสตัวนี้ก็ฟังได้หน่อยจางงามขนมกุ้งละม้างคันสอนสมยังในพวกฟังใบงามมาสายยนต์ขนขอจมูกเหมือนขอนึกไม่ออกหน้าเหมือนดวงจันทร์ก็นึกไม่ออกจางงามโสดังคอสุพรรณหงุ่งคอยาวขนาดหงุงนี่มันก็แย่มันน่ะหูมันก็ตีบูร พนาความงานของคนเอเรากคนึกว่าสัเก็ตภาพเนี่ยถ้าเราเขียนภาพเป็นก็สัเก็ตกมาก็รูปพิกลนั่นแหละนี่ก็คือคืออะไรคือเราถูกปลุกฝังมาแล้วเราก็ไม่เคยคิดวิเคราะห์วัเนี้ถ้าถ้าเป็นจริงจริงรูปร่างมันจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องให้ศิลปินเขาเขาคิดคิดออกมาเป็นภาพ มันเป็นพจน์เราต้องคิดมาเป็นภาพแล้วลองสะเกด็ดูในรูปร่างจะอา จ, อาจจะแปลกนะนี่คือคือเรียกว่าเชื้อที่เรารับในชาติปัจจุบันในขณะเดียวกันก็มีเชื้อเก่าๆอยู่ซึงสะสมมาในอนดีตที่เราเรียกวพวกอสวะทั้งหลายเนี่ยมันก็ส์สมอยู่ภายในใจเพราะงั้นความรู้สึกต่อสิ่งที่เราจําก็ดีหรือว่าเจ็บ เครือสันเจตนาคือความจงใจเหนียวนึกตรุดนึกโดยน่าความรักความชังหรือเฉยก็ต่างกัดีไอสิ่งที่เรานึกตัวก็ต่างกันดีซึ่งก็ในเง่ความจริงก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเกิดไปชอบอะไรมนเหมือนกันก็ยุ่งไนงะเพราะสิ่งนั้นจะไม่มีให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้เพราะอะไรเพราะว่า ต้องยึดหนุ่มก็ต้องแย่งมันคล้ายๆก็ดูตัวอย่างง่ายๆว่าทศกัณฐ์กับพระรามกําหนดความงามแบบนางสีดาด้วยกันแล้วต่างคนต่างก็ต้องการจะครอบครองพระรามอาจจะคิดถึงศักดิ์ศรีหน่อยแต่ว่าทศกัณฐ์นั้นต้องการครอบครองแน่นอนแล้วท่านก็ไปกําหนดเช่นนั้นว่าเป็นความงามพอพระรามและยอมก็เกิดยุ่งเกิดรบกันลุงรังพันธ์ดชอย่างที่เรารู้เนี่ย นั่นก็แสดงเห็นว่าถ้ากําหนดความงามแตกต่างกันไปตัวประกันก็เลยไปแย่งนางซิดาพระรามก็อยู่ในป่าเป็นพนวดเป็นฤาษีอยู่ระยะหนึ่งครบสิบสี่ปีก็กลับประโยธยาเรื่องรับเมเกียนก็ไม่ลามปางแต่ก็มันไม่เป็นมากาบอีกนะฮะเอ็นก็คื อ, ค, อ, ค, อคือธรรมชาติธรรมชาติของสัตว์โลกมันมีสัญญามันมีสัญเจตนาอยู่ แล้วพวกเนี้ยเราก็เหนียนึกประเด็น น, นึกขึ้นมาเรื่องนะ่าความคลายความปรารถนาความพอใจเป็นเรื่องเก่าตัณหาก็เกิด็อยากกินอาหารบางอย่างอยากดูรูปบางอย่างอยากฟังเสียงบางอย่างใกล้รๆกับคนสมัยปัจจุบันเนี่ยคนแก่ๆหน่อยอายุหกเจ็ดสิบแล้วเนี่ยฟังเพลงไมรู้เรื่องเนี่ยอย่างเพลงเด็กสมัยนีย้ฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เพลงไปได้ไง แต่ในขณะเดียวกันก็ฟังเพลงสมัยเราเป็นเด็กก็ฟังได้นั้นก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของพื้นฐานที่จิตไปกําหนดเอาเองมันไม่ใช่เพราะไม่เพราะมันไม่มีหรอกเพราะไม่เพราะมันไม่สากลเราบอกไม่เพราะเออคนอื่นเขาบอกเพราะอี่คุณจะว่าไงเราบอกว่าสวยคนอื่นเขาบไม่สวยเพราะงั้นพวกเนี้ยมันมันเป็นที่เกิดของตันหาเพราะฉะนั้นถ้าจะดับมันก็ดับถาาถ้าถ้าจะละมันก็ละกันที่เนี้ย ละที่สัญญาก็ได้ละที่สังเกตุนาก็ได้ละที่ตัญหาก็ได้ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยจิตที่เหนียวมึดถึงสิ่งที่ตัวเองใคล่เรืองมิตกหรือการไตร่จองถึงสิ่งที่จิตมันใคร้ายก็คงไม่เกินไปจากรูปสิ่งกิตนวปตผลอีกนะก็เป็นที่เป็นที่ดับได้เป็นที่ละได้เป็นที่ดับได้ เป็นการสอนหนึ่งรายละเอียดสงสอนโครงสร้างเดียวกันเดียกอเลยกับกับธรรมุทายสัต์แต่ว่าตมธรมุทายสัตร์พูดในกรณีของตัณหาเกิดในที่นี้พูดในกรณีของการดับปัญหาา้มาเกิดที่ใดก็ดับในที่นั้นีนี้แน่นอนอันนี้เป็นระดับนนโรกที่สมบูรณ์คือปัญหาที่ควรจะมองก็คือว่า เรื่องเป็นอันมากในบ้านในเมืองเรามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาใครได้ไม่ดีใครดีไม่ได้แล้วก็เบียดเบียนประทุษร้ายกันวันนี้มาได้เป็นอาจารย์พิเศษบรร ย, ยรเ บ, บรรยายเพราะมีในเบลกปรญญาเอง ๋ยอเราคิดแหวแนวไปเลยแล้วก็บอกให้ให้นักศึกษาเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายสรุปให้ให้ได้ดูสีเล่มที่เล่นพระไตรปิฎกแล้วก็ให้ตรอมองในมิติของวสิข า, าบทนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบญญารรยายสิขาบททั้งสิบประการของพุทธิจ้ า, ยายอย่างไงแล้วกิเลสคือโรคราค่าโลภะตุส า, ารมณนี่ลดไปได้อย่างไงแล้วไปสอดคล้องกับหลักตัดสินมาทำบิณายัางไง ในขณะเดียวกันเนี่ยมันแสดงถึงการแบบีปฏิบัติตองปฏิบัติเป็ธรรมปฏิบัติสมควรของมประสงค์อย่างไงทีนี้ถ้าหากว่าคนได้รับการพัฒนามาด้วยระบบตัวเนี่ยคืออย่าคิดว่าเป็นศิลของพระแต่เป็นระบบพัฒนามนุษย์มันเป็นสาระถะของวิชาอะไรในสายสังคมศาสตร์ เป็นนิติศาสตร์เป็นนิตศาสตร์เป็นเศรษฐศาสตร์เป็นศึกษาศาสตร์เป็นจิตวิทยาเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรต่างๆก็ก็เอามาเป็นมนุษยศาสตร์เป็นศิลปประพา์ก็แล้วแต่นะะก็แล้วแต่ว่าคือคือท่านเหล่านี้ก็ไปยาโถมาแล้วบางคนก็อาจจะเป็นญาเอกมาจากสาขาหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถามเขาหรอกคือเราบอกให้แต่นั้นเองแต่ว่าเป็นคนเ แล้วก็กำลังจะไปคุยกับเขาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าต่อไปมันก็เขียนแล้วจะให้ออกมาพรีเซนต์หน้าชั้นฟังกันให้แต่ละคนเขียนจากความเข้าใจอย่าอย่าไปอ้างอีกใครเพราะจริงๆเนื้อหาของพระวินัยเนี่ยมันเป็นระบบพัฒนามนุษย์ในส่วนของระเจกระชน แล้วก็ในส่วนของสังคมหน่วยย่อยเป็นถึงสังคมหน่วยใหญ่เป็นสถาบันบุคคลที่มีเกณฑ์กําหนดกันที่การปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรซึ่งเขาไม่ได้เจาะจงพระชาวบ้านก็ต้องการบุคลากรในลักษณะนั้นความเข้มข้นอาจจะแตกต่างกันหน่อยก็ต้องต้องการเหมือนกันเพราะั้นเราต้องการดูความคิด แต่ดูเขาเ้าก็ตื่นตัวตื่นเต้นกันนะคืออธิบายสรุปให้ฟังแล้วก็ให้อ่นั่งคุยกันเองแล้วก็เลือกหัวข้อกันเองแล้วก็ให้แต่แนวคือไอ้คิดต่อเราเราไม่ว่าอะไรเลยคือให้อิสระในการคิดแล้วก็ไม่ชอบให้ไปอ้างอิงคือต้องสื่อสารด้วยภาษาที่เราเข้าใจาเราเห็นยังไงตัวเนี้ยแล้วมันไม่ผิดหรอกมันไม่ต้องกลัวหรอก คือธรรมะในคิดอะไรก็ไม่รู้แลยให้กิเลสมันลดธรรมะมันเพิ่มความทุกข์มันลดความสุขมันเพิ่มมันก็ถูกแต่นั้นไม่ต้องไปรุงรังใ้มันมากคือบางทีเรารุงรังเรายึดติดในภาษามากเกินไปเราไม่รู้ว่ามีนเป็นเรื่องขนาดขนานเดงแล้วเราจะปักใจฝังใจอย่างนี้ตลอดมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราตีนวาการดับหนึ่งดับได้เยอะเลยน่ขนาดขณะดแต่ละขณะเนี้ยที่จริงมันขณะมันรวดเดียวมาจนถึงนิจาร์แล้ว เห็นคนปั๊บเนี่ยเราวิจารณ์ได้แล้วคนนี้ดีไม่ดีแต่งตัวเรียบร้อยเรียรอไปหายไปแล้วที่จริงกระบวนการเนี่ยมันมากันเอยอะมายตนาภายในยตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสัญญาสัญจตนาตัณหาวิตกวิจารณ์สิบระดับสามารถสกัดได้แต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดจุดสิบฉบับสิบจุดด้วยกัน แต่ว่าในแง่ความจริงเรามันเกตเราเห็นปับน๊บต่เราวิจารณ์แล้วจิตมันเกิดดับไม่รู้เท่าเท่าไยอ่ะทางก่อ น, นับจะเรานับไม่ได้อ่ะแต่แสดงนี้เห็นถึงว่าการฝึกจิตในแนวในแนวพุทธเนี่ยสติสมัยฉันยะความเพียรเนี่ยต้องเข้มข้นหมดสามารถระลึกทันสามารถส ก, กัดทันแล้วก็ละได้แล้วก็ดับได้ดับได้อละได้ก็ดับได้ ดับนที่นั้นนั้นก็รับสั่งว่าพวกผูกเก้เนี่ยในการิวิรณาเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละจะได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับจะได้ในที่นี้ดูก่อนพิสูุนั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขนนโรท้อาเรยสัจ ความจริงคือการดับถุกมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าเราสามารถจะสัมผัสในโลกได้ระดับโดยใช้สติสมัมปันดาความเพียรเนี่ยลึกรู้ท่าทันอารมณ์ที่มากระทบแย่อ่อนไหวไปกับอารมณ์มากเกินไป เพราะอารมณ์โลกแต่ที่จริงไม่ใช่ปัจจุบันหรอกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละมันก็นมีโยมคนหนึ่งที่จริงก็มาฟังเทวทิวัดรประจำแกนึกยังไงกันมาด้วยแกตื่นเต้นกับประโยคที่เอามาว่าโลกเนี่ยมันขู่ให้กลัวกับยุ่ยยากเขาบอกเขาไม่เคยจะยินที่เจะมาพูดไปตั้งนานแล้วนะู่กมาหลายปีแล้วคือเราสรุปแล้วมันก็อย่างนั้นนะ่ะ นั่กามกินนอนกลัวเห็นนั่งกามก็ดีกินก็ดีนอนก็ดีเนี่ยมัน ย, ยั่วยาคยั่วเราได้แล้วในขณะเดีวยวกันเนี่ยไอ้จุดอ่อนคือความกลัวเนี่ยเราใช้เป็นเครื่องมือของเราก็ได้พัฒนาจิตไปจนถึงกลัวบาปแต่ในขณะคนอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันกนอื่นขูว่าถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้น มันมีอย่างนั้นด้วยว่าต้องถูกลงโทษอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรต่อะไอางๆมันก็โลกก็ใช้อย่างเนี้ยซึ่งก็มาจากยินดียินได้ตอนถ้าเราไปลดพวกเหล่านี้ลงไปเช่นสมมุติว่าตอนพิจิตรวิจารเนี่ยเราจะนบิจิตรวิจารเนี่ยส่งไปสอนในอีกที่หนึ่งคือบางเทา บรรเทาพวกวิตกปวง ก, กุศลวิตกที่เกิดขึ้นภายในใจเราก็ไม่ถึงกับละได้ดับได้แต่ว่าทํายังไงบรรเทาซะบ้างทีนี้พวกปัญหาจิตที่ดิ้นรนทะเยอทยานอยากเมันก็ใช่เหตุผลสติปัญญาใชบ้างอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างเนี้ยก็บรรเทาซะบ้างอันนี้ถึงว่ามันได้ประโยชน์อะไรมีความจำเป็นมันน้อยแค่ไหนเพียงไร่ทําไม่ได้จะเป็นยังไง ไม่ใช่เรื่องจะเป็นจะตายเอาคือกระแสความคิดในทางที่เลื่อนไหลไปตามกิเลสเราก็ไม่ได้เจาะจงพระหรือชาวบ้านเพราะถ้าปล่อยใจเลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสแล้วในที่สุดเราจะถูกปรักสเสือกสายขับสจนถึงก็สูญเสียการทรงตัวแล้วก็ยอมจำนนยอมสยบ แล้ก็ปักใจฝังใจนะฮะตอนสัมผัสกระทบอารมณ์บางอย่างเนี่ยเก็บเก็บไว้ภายในใจโดยความรักก็มีปัญหาด้วยความชังก็มีปัญหาด้วยความเกลียดก็มีปัญหาด้วยความโกรก็มีปัญหาด้วยความกลัวก็มีปัญห า, ด, า, ญหาด้วยความไม่รู้ก็มีปัญหาคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราลดที่ความกลัวลงไปได้โดยพยายามทําความเข้าใจความชัดเจนกับสิ่งเหล่านั้น ก็อย่างที่บอกไว้นี่ว่าในเรื่องทุกข์กริสัอย่างนี้ยังไงเราก็แก้ไม่ได้ก็ทำใจยอมรับความจริงแล้วหาประโยชน์จากมันให้ได้แต่เราหยุดความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลากสูญเสียนี่ไม่ได้การพลาดพลากบางอย่างถ้าเราเข้าใจคิดแล้วก็ใช้สติสัมปชัญญะ เป็นหลักในการดาเนินชีวิตอุบัติเหตุบางอย่างที่ไม่น่าจะเกิดซึ่งเป็นความสูญเสียที่ซ้ำซากรุนแรงเช่นอุบัติเหตุทางยานพาหนะทางรถยนต์คนตายกันเยอะเราก็ไม่รู้จะติดต่อกับเขายัางไงค น, นนั้นแม้ราชการจะพยายามดุลนรงสารพัดรุลนรงในแต่ละปีเราก็แก้ไขไม่ได้ เพราะเลอยลืมมันนิ้รธมันเป็นผลในอริยมรรคแต่ละข้อเนี่ยเขาสามารถลดความรุนแรงของกิเลสได้ทุกข้อนะแยกออกมาแล้วก็ลดความรุนแรงได้ทุกข้อไม่ใช่ว่าต้องครบทั้งแปดคือใน 8, แปดกัในแต่ละข้อเนี่ยเขาลดความรุนแรงได้ทั้งนั้นเชงยกตัวอย่างว่าพออริยมรรคจะ ส, ส่งแสดงเหมือนกันเบี้ยเลยนะใ น, ในธรรมจักเนี่ย แต่ว่าในธรรมจักไม่ขยายไม่ขยายบอกว่าสัมมาทิฏิคืออะไรสมรัสมาสมาทัณฑปาคืออะไรสมมาวจารคืออะไรเนี่ยไม่ได้ขยายแต่นี้ก็ถือว่าขยายระดับหนึ่งไม่ได้ขยายในรายละเอียดเพราะว่าต่อรายละเอียดแล้วก็จะเยอะมากนะตัเนี้ยก็ว่าไปได้เป็นเบีเดเบียดแต่ว่าเราก็ผ่านอยู่บ่อยเคยเจออยู่บ่อยในที่นี้ให้มองว่า จงแสดงว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายทุกขะนิโรตามินีปฏิบัทิาริยสัตเป็นเช่นไหนแล้วก็ส่งตอบเองนะเขาเรียกัเถตุกรรมเมตตาปุจชาคือถามเพื่อจะตอบใชเองก็ไอ้มักประกอบดิงแดนั่นแหละคือสมาธิติสมาธทั้งกัะปะสมาวจาสมากัรมตะสมาชิวสมาวายามาสมาสติสมาสมาธิก็ เป็นการเรียงในรูปที่เราเห็นชัดเจนว่าเป็นวงกลมมันมีลักษณะหมุนคือตระแนวที่หมุนเนี่ย uz, <net> เชื่อมอิธิบาท dizer, มันจะลักษณะหมุนแล้วก็อา ร, ริยมรรยมักในลักษณะหมุนแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกรณีกรณีไปแต่ว่าเมื่อจิตไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะเชื่อมโยงถึงกันได้ เช่นสีนี่มันเสร็จเป็นข้อข้ไปข้อที่หนึ่งก็เรื่องของชีวิตข้อที่สองก็เรื่องของทรัพย์ข้อที่สามก็เรื่องของคู่ครองข้อที่สี่ก็เรื่องสื่อสารกันข้อที่ห้าก็เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษแต่ว่าเมื่อจิตมันประนีตเนี่ยก้าวเดินไปทั้งจุดหนึ่งมันก็จะดึงดูดเอาสาระถะของ หลายข้อเนี่ยเข้ามาไว้ได้จ น, นเราพัฒนาสินข้อที่หนึ่งไปถึงที่จริงทรงใช้ัำว่ามีจิตคิด อ, อนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายตอนปลายสุดเนี่ยแสดงว่าประกอบเป็นเมตรากรุณาเป็นเรือนใจเลยเป็นหลักใจเลยไอ้สิ่งข้อที่สองสามสี่มันก็ได้รับการปฏิบัติไปโดยธรรมชาติ เพราะว่าใจที่มีความเมตตาเอ็นดูและมุม่งอนุเคราะห์ต่อคนอื่นนั้นจะไม่ไปละเมิดสิทธิในชีวิตทรัพย์ ส, สินคู่ครองการรับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตนเองก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดให้โทษแต่จะไม่ชักชวนคนอื่นให้ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดให้โทษโดยโดยสภาวาะของจิตเองดังะะนั้นในสมาธิ โดยเห็นว่าถ้าเป็นความรู้จริงๆอย่างที่พูดไว้ในวันก่อนนู้นนะความรู้ในในสมาธิทิฏฐินี่คือรู้อริยสัจสิแต่ไม่ใช่รู้ในเชิงปริยัติแต่วัน ก, นก่อนมาตั้งข้อสังเกตในักศษาปัญญาเอกเนี่ยบอกให้ลองคิดว่าที่เราเรียนเนี่ยปัญญาโทจีโทเอกเนี่ยมีอะไรกันบ้าง ปัญหาเพิ่มมานะเพิ่มทิฐิเพิ่มหาการเพิ่มมันเพิ่มหมดแหละแล้วมันจะมองเฉพาะก้างนอกคือมันมองเข้าเข้าหาตัวเองข้างใ น, นจะสืบสอบคนอื่นได้เยอะเลยนะะพวกเนี้ยสามารถทวงติง่งสามารถตาหนิสามารถวิพากษ์วิจารอะไรแต่ไรก็ไยืนหน้านากระดานแล้วก็พูดได้เรื่อยแต่ว่าถามว่าทำยังไงอะ ก็อย่างเนี้ยอย่างอย่างเคยยกตัวอย่างหนึงว่าพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนายกต้องลงพื้นที่เป็นขวัญเป็นกำลังใจอะไรต่ออะไรทาไมขวัญอ่อนอขนาดนั้นล่ะมันจริงจริงมัไม่มีความจำเป็นอะไรมันต้องเข้าใจว่ามีนายกคนเดียวประเทศไหนเนี่ยถ้าไปอยู่ทุกจุดที่มีปัญหาแล้วก็จบแล้วนายกเป็นผู้นำทางการบริหารประเทศ ไม่จะลงไปอยู่ตรงไนตัวหนึ่งลงคุณก็ไปไม่ทั่วหรอกมันมีทางอย่างน้ำพูดมแปดจังหวัดทางภาคใต้นี่ยังไงคุณก็ไปไม่ได้ทุกแห่งแต่ถ้าเราสั่งการเยเรามีมือเท้าอยู่ตั้งแต่กำนัตตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่กำนันตั้งแต่อบอตอแล้วก็ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงต่างๆในยอะไรต่างๆถ้าเขารับผิดชอบข้อประสางานกลุมาา่มเดียวก็ถึงที่มีปัญหาเรื่องเรื่องเงิน เงินก็ผ่านไปเงินที่ประจำอยู่ในจังหวัด น, น, นั้นก็มีอยู่แล้วแล้วก็ผ่านไปตามระบบสายงานบริหารเงินนะมันก็ลงไปแล้วก็แปลสภาพออกมาเป็นสิ่งของก็ส่งไปช่วยประชาชนได้มั น, มนไม่มีอะไรอะแต่ว่าเรามองด้วยความอาคติโดยตัวเองไม่เข้าใจว่าปฏิบัติยังไง ที่ใหรู้สึกว่าประชาชนทุกคนดูว่ามีควัมกำลังใจดีขึ้นท่านนายกมาเยี่ยมทำยังไงพื้นที่มันกว้างขนาดนั้นไม่ได้แม้แต่จังหวัดเดียวก็ทำไม่ได้นายอำเภอเดียวยังทำไม่ได้ทุกจุดเลยเอา้าตำบลเดียวยังทำไม่ได้เลยแต่ถ้าเราปล่อยมือเท้าที่เป็นข้าราชการก็ารับผิดชอบมันก็แก้ปัญหาได้ดังนั้นความคิดเนี่ย คือบางทีเราเรามีจิตฤทธิ์ยาต้องการจะเบียดเบียนต้องการที่จะทำลายมันเปล่งประกายบางทีเราอ่านบทความในีประกายของความอธรรมิทธิตมันอยู่เยอะมากเลเขียนนอทิบายอย่างนั้นอย่างเงี้ยตัวเองยังไม่เคยทำงานนะบัรดาพิจารณาที่ยืนเล็เชื่ออยู่นหน้ากระดาษเนี่ยบางทีเราไม่เคยทำงานอย่างนั้น ถ้าทำเนี่ยคุณทาได้ยังไงวะให้ประชาชนทุกคนมีความรู้สึกอบอุ่นเมื่ท่านนายกมาเยี่ยมเนี่ยเดีเพอเห็นนายกนี่ทำยังไงมันก็ไม่มีใครมนุษย์ไหนทำได้นอกจากท่านนายกกวาสามารถนิรมิตร่างกายเป็นหมื่นเป็นแสนไปปรากฏทุกจุดมันก็เป็นไปไม่ได้อีกลแล้เพราะต้องจับประเด็นคือสาระถะของเรื่องเนี่ยตรงนี้คือเนื้อหานี่คืออะไรคือบับัดทุกบำรุงสุขเท่านั้นเองไม่มีอะไร ขอทุกมากเราก็ช่วยบงบัดเพื่อให้เขาได้รับความสุขตามตามเหมาะควรแก่สถานการณ์นะฮะมื่อสาร ม, มันมีมีแค่แค่สองคำก็นั้นเด็กแล้วภารกิจหลักเนี่ยอยู่ที่มาไทยก็มีรัฐมนตรีช่วยวาไทยก็ลงไปอยู่ประจำอยู่แล้วก็สั่งการต่อะไรเรียบร้อยก็แล้วก็มีกรุงเทพกว่ า, วากันรุนรรง อย่างนี้กว่านี่ยคือความเห็นชอบหรือเปล่าความเห็นมสมมาทิฏฐิหรือเปล่าพอสมมาทิฏฐิต้องชัดเจนในเหตุผลนะฮะเราจะเห็นว่าสมุทัยนี่คือเหตุว่าถ้าสมุทัยถ้าเหตุเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดทุกทุกเถีถถถถ่นิโรธเป็นผลเกิดมาจากมรรคแต่การมีมรรคกับมีนิโรธเนี่ยมันทุกต้องดับ สมุทยัยตั้งดาวถ้าไม่งั้นทุกยังไม่หายเพราฉันจริ ง, รงๆเนี่ยสมา ธ, ธิเนี่คือหลักการของเหตุผลมนุษย์คือสัตว์โลกที่มีเหตุผลมนุษย์คือสัตว์โลกที่สามารถจําแนกได้อะไรเป็นบาเปบาเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีช่วเชมเจริญสุขทุกขน์นี่จำแนกได้แล้วก็มองจากโครงสร้างเรียรรสัตว์สีเนี่ยไม่ต้องไปมองไม่รุงรังหรอกมันมีเท่านั้นแหละ ไือตรบใดที่เรายัางสาวไปถึงตัวที่เป็นนามธรรมาไม่เจอก็แสดงว่าเรายังไม่เจอสาเหตุจริงเราเห็นชัดเจนว่าสาเหตุทั้งหมดเป็นนามธรรมา ท, ทั้งหมดสมุทัยก็เป็นนามธรรมาตัวความทุกข์ที่จริงเป็นนามธรรมนะฮะตัวทุกข์เป็นนามธรรมเพราะพระเจ้าใช้คำว่าความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ําไรความรําพันความทุกข์ความสั ความเสียใจความขับแค้นใจมันเกิดมาจากความรักเป็นสภาวะธรรมที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นกับใจิตใครก็ไม่รู้มันก็เป็นความทุกข์ทางนั้นไม่เจาะจงว่าเกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้คือนเกิดขึ้นไปเป็นสากลเพราะคนเนี่มันไม่จะไม่สากลแต่ถ้าสภาวะธรรมนี่เป็นสากลยาเย็นเนี่สากลร้อนสากลหวานสากลแต่ว่ายังมีรายละเอียดคือมากคือน้อยคือชอบไม่ชอบก็เป็นรายละเอียด ตอนพอมาถึงนาเยมากก็สรงแสดงอย่างที่เราคุ้นๆเนี่ยก็แสดงไปตามลําดับแต่ในความเป็นเหตุทุกสมุทัยในโรธมาร์กเนี่ยในระดับสิ่งทำจริญาก็คือมีเหตุผลว่าอะไรเป็นเหตุข้ออะไรอะไรเป็นผลข้ออะไรแต่ถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาเราต้องไปแก้ที่สาเหตุของปัญหาต้องการจะสร้างผลพัฒนาต้องสร้างเหตุ ต้องสร้างเหตุเพื่อเกิดผลเป็นการพัฒนาด้านต่างๆต้องการผลมะม่วงต้องปลูกต้นมะม่วงต้องการได้ผลที่ท้าวอนต้องปลูกต้นมะม่วงไปปลูกมะพร้าวไม่ได้อันนี้หลักการที่ส่งสอนว่าเหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปในพื้นดินแล้วเขายอมได้รับผลของพืชชนิดนั้นคนทําความดีก็้รับผลดีคนทําความชั่วไวรับผลชั่ว อันนี้ก็คือหลักการที่เราใช้ทุกกรณีนะฮะจริงๆก็ทุกกรณีตลอดถึงการบริหารศา ส, สนาบริหารชาติบ้านเมืองก็ต้องมองดูตามโครงสร้างเงื่อนสับต้องชัดเจนตัวสภาพปัญหาสาเหตุของปัญหาความไม่มีปัญหาและก็หลักการวิติการที่จะนำไปสู่การดับสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นเท่าฝั่งแต่าย สิ่งทาจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นครานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี